ส่วนมากมันก็เอียงไปข้างยินดีข้างยินร้ายนั่นแหละอันนี้ให้เพิ่งเข้าใจเนี่ยจุดเริ่มเริ่มต้นก่อตัวของกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ความยินดียินร้ายนี่แหละทีแรกมันความยินดียินร้ายมยังอ่อนๆอยู่มันก็ยังไม่เกิดเป็นจิตอคุศลขึ้นอย่างรุนแรง อันนี้ถ้าปล่อยให้มันปิตกุิจายนยินดีนยินรายแรงๆคือเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นอกุศนจิตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่คนเราจะดีได้ก็เพราะว่ารู้จัก ทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจลงให้เป็นหนึ่งให้มันได้อย่าให้มันเอียงไปข้างยินดียินร้ายต่างๆความว่ายินดียินร้ายเนี่ยที่มันจะเป็นทางอกุศลได้นั้นมันเกี่ยวกับความไม่รู้ เกี่ยวกับความไม่ฉลาดในกระบวนจิตแต่ท่านผู้ที่ฉลาดในกระบวนจิตแล้วอันนั้นเป็นผู้มีปัญญาถึงว่ายินดีก็เรียวกว่ายินดีแสดงอาการแต่ภายนอกแต่ภายในใจิตใจไม่ได้มีอาการอะไร เช่นอย่างเรพูดกันว่ายินดีต้อนรับอะไรพวกนี้เมื่อมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยขอแสดงความยินดีต้อนรับอย่างนี้แต่ภ า, า, ายในจิตใจนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้แสดงอาการยินดีปฏิสิอะไรหรือล้นพ้นประมาณเหมือนอย่างวาจาคําพูดอันนี้เรียก ว, ว่าความยินดีแบบประกอบไปด้วยปัญญาอ รักษาจิตใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้เมื่อยึดถือเอาคำพูดเอาวาจาอันนั้นจนทำให้ใจหวันไหวไปตามคำพูดอย่างนั้นคำว่ายินร้ายก็เหมือนกันน ะ, ะคำว่าคนพวกนี้มนน่าเกลียดจริงอย่างนี้นะอันนี้ก็ว่าตามสมมติสำหรับพวกมีปัญญา แต่ว่านะ่าเกลียดเกลียดความประพฤติของเขาไม่ใช่เกลียดเกลียดความประพฤติอันไม่ดีไม่งามต่างหาอย่างนี้แหละแต่ตัวบุคคลนั้นมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรอก <c oughs> แต่ว่าภายในใจิตใจของผู้มีปัญญาแล้วก็หาได้ แสดงความจงเกลียดจงชังในใจอย่างรุนแรงเหมือนอย่างวาจาที่พูดออกมาไม่ <c oughs> แต่สำหรับผู้ที่ขาดปัญญาแล้ว <c oughs> พอว่าปากพูดอย่างไรใจก็ไปตามอย่างนั้นนี่มันก็ทำก่อให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> เพราะฉะนั้น พระอระหันต์น่ะท่านจะทำอะไรพูดอะไรก็เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปไปตามคำพูดคำจาเหล่านั้นพูดแล้วก็แล้วไปมันก็หายไปจิตใจของท่านไม่ยึดถือ เอาเรื่องที่พูดต่างๆหมดนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นอักกิริยาอักกิริยานี่หมายความว่าทำเรื่องนั้นจริงแต่แตโดยพุติใตแล้วไม่เป็นอัน ร, รมพูดจริงแต่ไม่เป็นไม่เป็นกิริยาอาการที่ก่อให้เกิดกิเลส ปาประทำอะไรเลยสักาธรรมสักวาพูดไปอย่างนั้นเฉยๆแต่เหตุปจัจใจที่จะพุงแต่งจิตของท่านให้มีอาการต่างๆนั้นไม่ไม่มอีอย่างนี้แหละเรียกว่าอากิริยาจิตดัะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ควรศึกษา ให้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกฝนอบรมจิตนี่เรามุ่งไปหาจุดไหนนี่เราต้องตั้งจุดไว้เราฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ก็มุ่งไปหาจุดนั่นแหละตามความหมายของพระพุทธศาสนานี่นะให้พากันเข้าใจถ้าหาว่าใครไม่มุ่งไปหาจุดนั่นแล้ว การปฏิบัติธรรมของผู้นั้นก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยและจะเป็นไปในทางเสื่อมอีกซ้ำ <c oughs> เพราะบางคนเป็นอย่างนั้นจริง <c oughs> เมื่อยอมพ่ายแพย้ต่อกิเลสตัณหาแล้ว <c oughs> มันก็เกิดมีความคิดความเห็นผิดไปจากหลักอันแท้จริงเ <c oughs> ช่นอย่างว่าธรรมดามันธรรมดาของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ทำยังไงเรามันทำไม่ได้มันก็ต้องไปตามมันอะไรทำนองนี้นะเรียกว่าพูดออกมายทำนองที่ยอมแพ้ต่ออำนาจของฝ่ายตำ่ำไม่ไม่แสดงความกล้าหาญที่จะเอาชนะมารคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปใช้สำนวนพูดอย่างนั้น พูดอย่างนั้นมันเสียหายทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อกันแลกกันเมื่อผู้ที่เป็นผู้นาหมู่หักไปพูดอย่างนั้นลงไปผู้น้อยมันก็พลอยเห็นตามก็ไปตามกันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเมาสุรามันนี้พกคอทองแดงอะ่ะมันก็ทั้งหาเรื่องพูด ยุให้คนอื่นติดเล่าหวองมอมแงมไปตามกันสุดแล้วแต่เขาจะสรรหาคำพูดได้อย่างไรเขาก็พูดขึ้นคนที่ไม่มีปัญญาได้ฟังแล้วก็เออเห็นท่าจะจริงอ่ะดีจริงอ่ะการดื่มเหล้าเนี่ยมันสนุกสนานมันหายกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคนขาดปัญญาแล้วยังว่ามันไม่ดีเลยนี่ให้พากันเข้าใจ บุคคลจะเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ก็เพราะมีปัญญาเท่านั้นแหละถ้าขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วไม่แล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยแม้ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงอนาคตเลยเช่น <c oughs> อย่างว่าเราบวชเข้ามาอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่หับแก่นอน เห็นแต่แก่ความสนุกสนานไม่สำรวมจิตตัวเองไม่มีอุบายแยบคายในใจอยู่อย่างนี้สักน่อยก็ไปหลงกลของมารคือกิเลสแล้วก็ต้องยอมแพ้มันไปไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้สืบต่อไปได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดการสำรวม พูดอย่างรวบรัดขาดการสำรวมสำรวมในศีลสำรวมในสมาธิสำรวมในปัญญานี่คำว่าสำรวมในที่นี้นะสำรวมในศีลก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายอาการกายวาจาอยู่เสมอว่ตนน่ะทอยู่พูดอยู่เดียวนี่นะ่ะ เป็นศีลหรือไม่เป็นศีลอย่างงี้นะผิดข้อศีลหรือไม่ผิดอย่างนี้ต้องมีสติกําหนดรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยหรือว่าก่อนจะทําอะไรจะพูดอะไรลงไปอย่างงี้นะก็มีสติระลึกกล่วงหน้าก่อนว่าเรื่องที่เราจะทําจะพูดเนี่ยมันขัดต่อวินัยหรือไม่ก็เมื่อรู้ล่วงหน้าเวลามันขัดต่อพระวินัยอย่างนี้ก็ไม่แล้ไม่ทําไม่พูด จึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมในศีล <c oughs> สำรวมในสมาธินั้นเมื่อตอนได้ทำใจให้สงบลงไปโดยอุบายวิธีอย่างไรโดยการเห็นแจ้งในกรรมฐานข้อไหนตนเจริญกรรมฐานข้อไหนใจจึงสงบลงเช่นนี้นะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ลืมอุบายวิธีนั้น ก็ต้องพยายามกำหนดเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมออ่าเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างผู้ที่ราคะจริตมากไปด้วยความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะเมื่อตนได้เพ่งอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารนี่เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหน้าเกลียดโสโครก เมื่อกรรมฐานเหล่านี้ปรากฏในใจแล้วก็บันเทาราคะตัญหาลงได้จนถึงกระใจสงบลงเช่นนี้นะต่อไปก็ต้องพยายามเพ่งกรรมฐานอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอไม่ใช่ไปเพ่งแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นถ้าไปเพ่งเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วไม่เพ่งไม่นั่นลืมเสีย อย่างนี้มันก็กิเลสของเก่านั้นมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยมันจะไม่อ่อนกําลังลงเลยดังนั้นมันก็ต้องเพ่งติดต่อกันไปแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรเราก็มันสํารวจโกรธดูกรรมฐานที่เราเพ่งมานั้นให้มันปรากฏในใจเมื่อมันปรากฏกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏในใจอยู่เสมอแล้ว มันจะไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยกำหนดยินดีลุ่มหลงมาแต่ก่อนนั้นมันก็จะไม่ไปแล้วจิตใจนั้นนะเพราะมันมีสักขีพยานปรากฏอยู่ภายในแล้วรูปนี้ไม่สวยไม่งามฉันใดรูปนู่นก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนี่มีสภาวะอย่างเดียวกันอันผู้จะเป็นนักบวชนี่นะให้พึ่งเข้าใจไว ต้องเป็นผู้มีใจเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักข้างชังนี่จึงถู ก, กำคำคําว่าพระหรือว่าบรณชิตให้พากันเข้าใจถ้าไปปล่อยใจข้งตนให้เอียงไปข้างยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นนะยังเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นแต่โดยสมมุติกันขึ้นมาโกนผมโกนคิว น, นุ่งเหลืองห่มเหลือง แล้วก็มีคณะสงฆ์ห้อมล้อมสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณธรรมของพระนั้นยังไม่มีอยู่ในใจนี่ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามทำจิตของตนให้เป็นพระจริงๆอย่าให้จิต ของขรคหัพนั่นมันติดตามมาอยู่ไม่รู้แล้วรู้ลอดต้องให้ตื่นตัวกันอันเป็นพระธนวต้องละกา ม, มารมนี่ผู้จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนธรรมฌานอันนี้มันถูกต้องแล้วนะถ้าผู้จะเป็นพระนี่หากไม่ละกา ม, มารมแล้วถึงอยู่เป็นพระไปได้ก็มัวหมอง ไม่พองใสคุณธรรมอันดีงามไม่เกิดขึ้นในใจได้โดยเฉพาะเรื่องฌานสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นใน ใ, นใจไม่ได้บุคคลใดยังยินดีพอใจในการมาคุณอยู่จะไปเริญสมาธิภาวนาให้ใจสงบไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นพระนี่มันเป็นได้ด้วยการที่มาปรับปรุง จ, จิตใจ ของตนให้เป็นกลางอยู่ในระหว่างอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่แม้เป็นครรืงหัดก็ตามมันก็มีหนะ้าที่ทุกคนจะต้องพยายามฝึกกิจของตนอนะให้เป็นกลางอยู่ได้แต่บางครรือหัดบางคนก็ยอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่ยอมฝึกกิจของตนให้เป็นกลางเลย แต่ละวันแต่ละคืนไอ้ผู้ที่มากอยู่ด้วยความเกลียดความชังก็เอาความเกลียดชังมาเป็นอารมณ์ใครทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาถูกใจหนอหนึ่งก็โกรธอา้าผู้ที่มากไปด้วยความรักความใคร่ก็ยึดเอาอารมณ์ที่น่ารักน่าใครนั่นมาปรุงมาแต่งมาเป็นเครื่องอยู่ พอตาได้เห็นรูปสวย ๆ, ๆยงาวางเขานอยก็เกิดรักเกิดใคร่อยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นครือหัดมันถึงได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเดีย ว, วผู้ที่มักมากในกรมเนี่ยจะรักษาสินข้อที่สามนั้นไม่ได้เลยส่วนมากก็ไปเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียกันไปอย่างนั้นนะ ทำบาปใส่ตนเองไม่รู้ตัวนี่มันก็เนื่องจากว่าไม่ได้ทําใจให้เป็นกลางเลยยามใดก็มีแต่แช่อ ย, อยู่ด้วยความรักความใคร่นั้นจิตใจนะไม่ได้เบาบางจากความรักความใคร่เลยเช่นนี้แล้วมันจะไม่ทําบาปอย่างไรเล่านั่นเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดปรีกตนออกจากความรักความใคร่อันนั้น นั่งสมาธิภาวนาลงไปจะเป็นคาราฮัสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหากข้ามใจทังตัวในห่างจากอารมณ์น่ารักน่าใคร่น่าเก ล, ลียดน่าชังต่างพวกนั้นให้ใจมันสงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นนี้มันก็จะเห็นโทษแห่งความรักของใครเกินขอบเขตนั้นคันถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม ถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงวินัยน้อยใหญ่อันเกี่ยวกับราคะตัณหานั้นนี่มันมันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งคราหัสทั้งนักบวชการปฏิบัติทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่นะไม่ใช่ว่าพอแต่ทำใจให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเท่านั้นแล้วกิเลสจะหมดสิ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันเข้าใจผิดกัน อันนี้เป็นแต่เพียงพักผ่อนจิตใจเป็นครั่งเป็นคาวไปเท่านั้นเองแหละหลังจากกิเลสเผาเล่าร้อนมาพอแรงแล้วเราก็มาทําความเพียรยึดเอาศินเอาธรรมอาบุญกุศลหรือเอากรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์เ่งเมื่อเห็นคุณแห่งศินแห่งธรรมเห็นกรรมฐานอันไรหนึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจก็ เบื่อหน่ายหรือว่าสังเวชสลดใจลงไปต่อความหลงความเมาเหล่านั้นโน้มใจลงสู่ความสงบปล่อยวางอารมณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ใจมันสงบเป็นกลางลงไปได้อย่างนี้เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญเนกขมมะบรมีแม่ผู้เป็นครือขัสมันก็บำเพ็ญได้แต่มันได้ชั่วคราว ก, ก็เอาชั่วคราวก็เอาแต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็ค่อยมากขึ้นอยู่ในตัวแหละไอ้ผู้ไม่ทำเสียเลยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เลยสร้างแต่บาปแต่กรรมใส่ตัวเองเพราะว่าจิตใจเอียงไปข้างรักข้างชังอย่างรุนแรงอย่างว่ามานั่นแหละนี่ควรจะรู้จุดที่ชีวิตจิตใจของคนเราแต่ละคนมันจะไปทาชั่ว ด้วยกายวาจาใจนะ่ยมันออกจากนี้เองแหละข้าที่ไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้ไม่ได้สำรวมในสมาธิไม่ได้รักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็ไม่ได้สำรวมปัญญาคือไม่ได้ใช้ความคิดความนึกไม่หัดคิดหัดนึกไม่หัดค้นคว้าหาเหตุผลของชีวิต เพื่อให้รู้แจ้งในวิถีชีวิตตามความเป็นจริงคนเรานะ่ะมีแตน่นั่งเฝ้านอนเฝ้าสังขารร่างกายอันนี้อยู่เฉยๆนะส่วนมากนะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้คิดค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตอันนี้เท่าไหรน่นะว่าการที่เราเกิดมานี่นะมันมายัางไงกันนะ่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้อย่างนี้นะน้อยคนนักที่จะ มีอุบายแยกคายวินิจฉัยตัวเองอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดมีอุบายแยกคายวินิจฉัยตัวเองได้อย่างว่านี้ผู้นั้นก็จะตื่นตัวเลยสามารถที่จะละความชั่วได้ทําความดีได้เป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไปตามกําลังความสามารถของตนของตนแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานี่ ก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนี่ว่าสเพสัตากรรมัสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสา ร, รณายังกรมกรมังกิตสันติกัลยาณงวา่าภาภักังวา่าตัดสะดายาดาภวิสันติแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็เป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทํานั้น เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมานี่เป็นผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลใดจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อไปพระศาสดาทรงตรัสไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้ว แต่คนเรานะั้นไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาเลยส่วนมากนะมีแต่เมาอยู่ในความรักเมาอยู่ในความชังอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนี่นะความโทษที่ไม่ได้ทำใจเป็นกลางนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราเลยไม่รู้วิถีชีวิตของตัวเองไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตว่ามันเป็นมาอย่างไรอะ่ะ ถ้าหากว่าเรามาวินิจัยตามพระพุทธภาษิต ท, ที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายอันเนี้ยธาตุสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้และดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่อาศัยกรรมดีกรรมชั่วมานำดวงกิจอันนี้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดา แล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นรูปร่างของคนหรือของสัตว์ก็แล้วแต่แหละอย่างนี้นะบุญกรรมตกแต่งให้แท้ๆนะเพราะฉะนั้นแหละรูปร่างของมนุษย์เราน่ะก็จึงไม่เหมือนกันน่ะมันเกิดจากกิริยาจิตของแต่และบุคคลได้กระทอาออกมาแต่ชาติก่อนนน่น บุคคลที่มีกรรมชั่วติดตัวมาชนิดไหนกรรมชั่วนั้นมนก็มาแต่งร่างอันนี้ให้อไม่สมประกอบแล้วธรรมดาเรื่องกรรมชั่วนี้นะอันนันจะแต่งให้ดีไม่มีมิจะแต่งให้ขี้ร้ายนั่นแหลอะอวัยวะร่างกายบกุ้องไม่สมบูรณ์นั่นเรียกว่ากรรมชั่วมันแต่งบันนี้เมื่อผู้ใดมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนไม่วิบัติขัดข้องอย่างนี้ ก็แสดงว่ากรรมดีนะมันแต่งให้อันนี้กรรมดีนี่มันก็ยังมีวิเศษกลัวกันไปอีกอนั่นแหละบางคนก็รูปร่างสวยงามผิวพรรณก็ละเอียดนิ่มนุ่มนวนผิวพรรณก็ผุดพองหมู่นี้นะผิวก็ไม่หยาบกร้านบางคนถึงมีอายิวัฒนร่างกายสมบูรณ์แล้วก็จริงหรอกแต่ผิวพรรณหยาบกร้านก็มีเรียกว่าผิวหยาบ ดูดูแล้วไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ยังยินดีอยู่ในรูปอันนี้นะเออเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมู่นี้นะถ้าว่าผู้ที่มาคิดมาวินิจฉัยโดยเหตุผลต่างๆแล้วมันก็จะเชื่อมั่นลงในใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน่ะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทามานั้น อันนี้นะบอเป็นความจริงร้อยเปอเซนเลยน ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลที่มารู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอย่างว่านี้แล้วมันก็จะได้เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นเลยวัานี้เพราะว่าเมื่อรู้ตนว่าต น, นยังละกิเลสไม่หมดเมื่อละกิเลสยังไม่หมดก็รู้อยู่แล้วว่าตนจะต้องเกิดอีกอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าเกิดเอียก็ขอให้เกิดดีธรรมดาคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะทํำยังไงมันถึงจะเกิดดีได้เอาก็ทํากรรมดีแลยนี่ทํากรรมดีใส่กายวาใาใจทั้งตัวเองเข้าไปสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็เพียนละออกไปเช่นนี้ <c oughs> แล้วกรรมดีนะั้นมันก็จะแต่งให้ได้รูปร่างอันสวยงามสมประสงค์แล้วก็ทั้ง ตกแต่งให้จิตใจดีด้วยนี่จิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นคนไม่ใจดำอำมหิทธ์เพราะเหตุว่าจะเป็นมนุษย์อยู่นี่ปัจจุบันชาตินี่ก็ได้ภาวนาพยายามสํารวมในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างว่านี่แหละแต่ว่าสํารวม <c oughs> สํารวมไปแต่มันยัง <c oughs> อินทรียังไม่แก่กล้าก็ยังลากกิเลสทันหาให้หมดไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นกุศลกรรมมาวจรติดตามไปตกแต่งอวัยวะหรือว่าธาตุสี่ขันห้านี้ให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงกุศลกรรมกรรมดีที่บุคคลกระทำเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์โมนีนะ มันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลผู้เป็นมนุษย์เรานี่แหละเมื่อเป็นมนุษย์ตื่นตัวได้รู้เหตุปัจจัยของชีวิตว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างว่านี่แหละแล้วก็เพียรพยายาม ร, รับกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเท่าที่จะละดได้แล้วก็เพียรพยายามบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้เกิดมีในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิต ของตอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อผู้ไรศาสตร์สมบูรณ์กุศลให้มากขึ้นแล้วเรื่องบาปก็ไม่ทําอย่างเนี้ยตายแล้วมันก็ตรงไปเกิดสวรรค์เท่านั้นเองเนี่ยอืมจะไม่ไปไหนอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคําสอนของพระเจ้าแล้วด้วยปัญญาของตอนเองแล้ว จะพยายามหลีกเลี่ยงจากกรรมอันชั่วเลยไปทีเดียวผู้นั้นนะจะพยายามสั่งสมแต่กรรมอันดีใส่ตัวเองสำรวมในศีลทำศินให้บริสุทธิ์ผู้อยู่ครองเรือนก็ต้องสำรวมในศินห้ากรรมบทติให้บริสุทธิ์อย่างนี้น ะ, ะหรือว่าผู้นุ่งขาวผมขาวก็สำรวมในศินแปดหรือว่าผู้ รักษาโบสถ์ศิลก็สัมรวมในศิลปโบสถ์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีอย่าให้มันขาดจะให้มันด่างมันพร้อยเรียกว่าสัมรวมผู้ที่เป็นนักบวชก็สัมรวมในศีขาบทเป็นพระก็สัมรวมในพระปฏิโมกอให้บริสุทธิ์เป็นสามเณรก็สัมรวมในศิลป์ิษ ให้บริสุทธิ์อย่าไปล่วงศิลนอย่าไปทำศิลให้ขาดอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทำใจให้สงบอย่างละเอยียดละออไม่ได้แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เชื่อมั่นในศิลในคุณของศิลอย่างนี้นะ มันก็ทำใจให้ตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันน่ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลนี่อ่าก็เป็นสมาธิภาวนาเหมือนกันนะ <c oughs> สํารวมในปัญญาแล้วก็หมั่นไข้ควรพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้วถึงถ้าหาว่าแม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลทําไมเสษอะไรในชาติปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นลุพนุสัยปัจจัยติดตามไป เมื่ออินทร์แก่กล้าขึ้นไปได้ฟังธรรมเทศนาของพระติเจ้าในชาติต่อไปนั้นก็สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นจากกิจสันดานได้โดยง่ายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้